บทภาชนีติกานิสักียปาจิตตร้อยสิบห้ครหัตที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติเขาไม่ได้ปรนนาว้ก่อนเข้าไปหาพวกครรภัตแล้วกำหนดชนิดจีวรต้องอบัตินิสักียปาจิตตีครรัตที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจเขาไม่ได้ปรณาไว้ก่อนเข้าไปหาพวกครหัตแล้วกำหนดชนิดจีวรต้องอบัตินิสักียปาจิตตี ครหอขัดที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติเขาไม่ได้ปรวรรณาไว้ก่อนเข้าไปหาพวกครือขัดแล้วกําหนดชนิดจีวรต้องอบัตรนิสสกิยปาจิตตีทุกทุกกฏครหอขัดที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติเข้าไปกําหนดชนิดจีวรต้องอบัตรทุกกฏครหอขัดที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปกําหนดชนิดจีวรต้องอบัตรทุกกฏ เครื่องหัที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติเข้าไปกำหนดชนิดจีวรไม่ต้องอาบัด